ถ้าูดอย่างนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะสงสัยหรือแปลกใจว่าพู้เจ้าเนี่ยสอนขัดแย้งกันหรือเปล่าบทหนึ่งก็บอกว่าให้เล่งทําความเพียร น, นะอย่าปล่อยเวลาให้ป่านเลยไปโดยปราประโยชน์อีกบท น, นึงก็บอกว่าให้ปล่อยวางนะหลายคนอยากจะเข้าใจว่าพุทเจ้าเนี่ยสอนขัดแย้งกันเองอันนี้เพราะว่าเขาเข้าใจค ว, ว่าปล่อยวางเนี่ยไม่ถูกต้อง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 มันไม่ใช่ทำให้เราหดหู่แต่มันเป็นตัวเร่งเราให้ต้องเร่งนะเร่งฝึกเร่งทำนะทั้งความดีและก็การทาสมาธิภาวนาด้วยนะเห็นแบบนี้แล้วมันกระตุ้นให้เราเกิดความไม่ประมาทนะอันนี้แล้วว่าเป็นการกระตุ้นให้ทากิจนะ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 เศ้าจ้งกันนั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายผ่ายผอมก็เลยเขียนตอบค่อยวาดเนี้ยก็เห็นใจนะทีะ่เธอต้องมาเจอกับสภาพเช่นนี้แต่อยากจะเตือนอย่างนึงนะว่าสามียังไม่ตายนะสามีเนี่ยยังอยู่กับเราช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเป็นเวลาที่มีความหมายมากควรใช้เวลานี้เนี่ยทำความดีมีความสุขร่วมกัน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 ลองทำจิตด้วยจิตที่ปล่อยวางเนี่ยนะมันจะปลอดโปร่งได้มากเลยนะสมัยที่ถ้าจาพุทธท่านเนี่ยท่านยังมีเรื่อวมีแรงนะท่านก็เป็นเป็นกำลังสำคัญเลยนะในการก่อสร้างอาคารต่างๆในส่วนโมกเช่นลงมหาสบททางวิญญาณ น, นะรวมทั้งอาคารอื่นๆ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 ได้เท่าไหนได้เท่าไหรก็เท่านั้นนะนะท่านก็รู้สึกว่าเหมือนกับคนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยที่จริงระหว่างที่ไม่ใช่ว่าปล่อยวางเอาตอนพักนะหรือว่าตอนเลิกงานในแต่ละวันนะในขณะที่ทำท่านก็ปล่อยวางไปด้วยนะใครที่รู้จักท่าอาจารย์ุษธาดีก็รู้ว่าเนี่ยท่านตั้งใจทำอะไรเนี่ยก็ทำจริงแต่ว่า ในแข่ที่ท่านทํากิตนะท่านก็ทำจิตไปด้วยคือปล่อยวางนะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะทำจิต ด, ด้วยจิตปล่อยวางนี่นะมันเป็นประโยชน์นะมันจะช่วยทําให้งานเนี่ยไปได้ดีแล้วคนทํางานก็มีความสุขนะมีอาจารย์ของอาจารย์นะของเพื่อน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 ช่วกันแบเห็นช่วกันแบกเสาแต่เพราว่าทําไม่ได้ครึ่งวันก็เหนื่อยขณะที่อาจารย์ชุนเียวอายุมากหกสิบกว่าแล้วก็ตัวก็เล็กนะคนญี่ปุ่นสมัยก่อนตัวเล็กบอกว่าทําได้ทั้งวันลูกศิษย์ก็เลยแปลกใจนะถามว่าอาจารย์ทําได้ยังไงเนี่ยอาจารย์ชุนเวิวก็ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลานี่ยลูกศิษย์ก็งงนะหมายความว่ายังไง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 นะกายเหนื่อยไปใจไม่ทุกเนะี่ย น, นี่เรียกว่าทำกิจ ด, ด้วยทำจิต ด, ด้วยนะกิจเนี่ยทำเต็มที่นะแต่ว่าใจเนี่ยปล่อยวางแล้วรากว่าทำได้ดีนะทำได้ดีกว่าลูกศิษย์ซึ่งทำกิจแต่ไม่ทำจิตนะทำไปก็บนไปหรือทำไปก็วิตกไปเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จเนี่ยอันนี้เห็นได้ว่าคนเราเนี่ยถ้ า, าว่าเรารู้จักทำกิจและทำจิตนะงานได้ผลดีนะและคนทาก็มีความสุขด้วยนะ เราลองนะพยายามประสานทำกิจและทำจิตเข้าด้วยกันสมัยที่ทักเ0 8 0สปปีก่อนนะที่วัดบวรเนี่ยมีสังฆราชเจ้าองค์หนึ่งนะสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงชินวอนสุริวัดมีวันหนึ่งเนี่ยโยมเนี่ยถวายชุดน้ำชาเป็นของโบราณจากเมืองจีนนะสงสัยลาชวงหมิงมั้งมาถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า แล้วก็กำชับนะว่าเนี่ยช่วยดูแลให้ดีนะเพราะว่ามันเป็นของเก่ามากนะแล้วก็อาจจะบอบแบบบางสักหน่อยท่านได้รับนะท่านก็ดูแลอย่างดีนะแล้วก็บอกเนนนะเนนที่อุปถาท่านเนี่ยเวลาจะเวลาจะเคลื่อนจะย้ายนะเวลาจะทำความสะอาดท่านก็จะกำชับนะกำชับแบบจี้เลยนะว่า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 แล้ววันหนึ่งนะขณะที่สมเด็จพระสังฆราชาองค์นี้เนี่ยกําลังทรงงานอยู่ประกอบดิวยเสียงเพลงนะพระองค์ก็เลยเอกไปดูเกิดอะไรขึ้นบอกว่าชุดน้ําชาเนี่ยเนนทําตกแตกหัวเนรนี่นตัวสั่นเลยนะเพราะว่ารู้ดีว่าสมเด็จพระสังฆราชาออนี่ท่านกําชับกําชา ม, มากท่านเอาใจใส่มากปอกว่าพอท่านพระสมเด็จพระสังฆราชาเห็นชุดน้ําชามแตกนะกระจายนะ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 ท่านไม่ได้โกรัอะไรเลยนะนี่เพราะอะไรเพราะว่ า, าท่านเอาใจใส่นะด้วยใจที่ปล่อยวาง อ, าอันนี้มันเป็นมันเป็นคุณสมบัตินะของคนที่เข้าถึงธรรมเนี่ยนะเขาจะทำกิจแล้วก็ทำจิตไปด้วยพวกเราก็ทำได้นะนะโดยเพราะเวลาเจออะไรมากระทบนะเช่นเวลาเจ็บป่วยเนจะ็บป่วยนี่เราก็ทำจิตซะ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 กุตินะหลหลังก็โดนพายุพัดนะหลังคาก็หายไปกุติหลังหนึ่งหลังคาหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะาอกว่าพระที่อยู่ในกุติ น, ะนั่นน่ยก็ไม่ซ่อมสักทีหลวงพ่อชาก็เลยถามว่าทําไมท่านไม่ซ่อมหลังคาพระก็ตอบผมกําลังฝึกปล่อยวางครับนะหลวงพ่อชาก็เลยตำหนิเลยว่าไอ้ปล่อยวางไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ใช่วางเฉยแบบบวแบบควาย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 ไม่ต้องไปทำอะไรแค่เขาเห็นพระเนี่ยมาเขาก็หนีแล้วล่ะหน้าที่ของเราเรก็ควรจะรักษาป่ารักษาสมุนไพรมีพระบางรูปตนะ้นงบอกว่าผมไม่ไปหรอกนะผมปล่อยวางแล้วเนะมีนะการปล่อยวางเนี่ยนะก็คือไม่ได้ยึดว่าป่าเป็นของเราอันนี้ถูกนะป่าไม่ใช่ของเรานะเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรจะไม่ควรจะ